พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสุดตัตัดปิฎกทีฆนิกายมหาวักมหาปทธานสูตรสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนักเรริกุติกุติมีมณฑบทำด้วยไม้กลุ่มตั้งอยู่เบื้องหลังในเชตวนารามของอนาถบินทิกะเขรหะบดีใกล้กรุงสาวัตถี นาโรงโถงที่ทำด้วยไม้กลุ่มนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายผู้สนทนากันถึงเรื่องปุเพนิวาสคือความเป็นไปในชาติก่อนโดยทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตหพระองค์รวมทั้งพระองค์เองด้วยเป็นเจ็ดพระองค์ดังต่อไปนี้หนึ่งพระวิปัสสี พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่สามสิบเอ็ดก่อนหน้ากับปัจจุบันนี้มีพระนามโดยพระโคดว่าโกนทัญญะมีประมาณแห่งอายุแปดหมื่นปีตรัสรู้นักโคนไม้แคฝอยมีคู่แห่งอครสาวกนามว่าคันทะกับติดสะมีการประชุมสาวกสามครั้งการประชุมสาวก มีภิกษุหกล้านแปดแสนรูปครั้งหนึ่งมีภิกษุหนึ่งแสนรูปครั้งหนึ่งมีภิกษุแปดหมื่นรูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ขี่นาศพทั้งสามครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากคือผู้รับใช้พระพุทธเจ้าชื่ออโศกมีพระพุทธบิดาพระนามว่าพันธุมาพระพุทธมารดาพระนามว่าพันธุมดี มีพันทุกมดีนครเป็นราชธานี 2. พระสิกขีพระสิกขีพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่31อก่อนหน้ากับปัจจุบันมีพระนามโดยพระโคตว่าโกธัญญะมีประมาณแห่งอายุเจ็ดหมื่นปีตรัสรู้นครต้นบุญทริก มีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าอภิภูมิกับสมะภาวะมีการประชุมอัครสาวกสามครั้งการประชุมสาวกมีภิกษุหนึ่ง0สรูปครั้งหนึ่งแปดหมืนรูปครั้งหนึ่งเจ็ดหมืนรูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขี่นาศบทั้งสามครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อเขมังกระมีพระพุทธบิดาพระนามว่าอรุณะ พระพุทธมารดาพระนามว่าปภาวตีมีอรุณวตีนครเป็นราชธานี 3. พระเวสภูพระเวสภูพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่ส1เอดก่อนหน้ากับปัจจุบันนี้มีพระนามโดยพระโคตว่าโกนทัญญะมีประมาณแห่งอายุหก0มื่นปี ปัสรูร้ที่โคนไม้สาละมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าโสรณะกับอุตระมีการประชุมสาวกสามครั้งการประชุมสาวกมีภิกษุแปดหมื่นรูปครั้งหนึ่งเจ็ดหมืนรูปครั้งหนึ่งหกหมืนรูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขี่นาศบทั้งสามครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาชื่ออุปสันตะมีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุปตีต พระพุทธมารดาพระนามว่ายะสวตีมีอนุมณนครเป็นราชธานี 4. พระกะกุสันทะพระกะกุสันทะพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัทธกับนี้มีพระนามโดยพระโคดว่ากัสปะมีประมาณแห่งอายุสี่หมื่นปีตรัสรู้นโคลไม้ซึก มีคู่แห่งอั克拉สาวกนามว่าวิทูระกับสัญชีวะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสี่หมืนรูปล้วนเป็นพระขี่นาศมีภิกษุเป็นย่าพุทธอุปถากชื่อวุฒิชะมีพระพุทธปิดาเป็นปรามนามว่าอคิท ต, ตะมีพระพุทธมารดาเป็นพรามณีนามว่าวิสาขามีเขมาวตีนครของพระเจ้าเขมะ เป็นราชธานีห้าพระโกนาคมมณนะพระโกนาคมมณนะพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัทธกับนี้มีพระนามโดยพระโคดว่ากัสปะมีประมาณแห่งอายุสาม0 0ื่นปีตรัสรู้นโครไม้มะเดือ่อมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าพิยโยสะกับอุตระ มีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสามหมื่นรูปล้วนเป็นพระขีนาศมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อโสตทิชะมีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์นามว่ายันทัตตะพระพุทธมารดาเป็นพราหมณีนามว่าอุตรามีโสภาวตีนครของพระเจ้าโสภะเป็นราชธานี6พประกัสปะ พระกัสสปุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัฒกับนี้มีพระนามด้วยพระโคดว่ากัสสปมีประมาณแห่งอายุสองหมื่นปีตรัสรู้นโคนไม้นิโครดหรือต้นไทรมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าติดสะกับพารัฐวาชะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสองหมื่นรูปล้วนเป็นพระขีนาศพ มีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อสัพพมิตะมีพระพุทธบิดาเป็นพรามณ์นามว่าโรมทัตตะพระพุทธมารดาเป็นพรามณีนามว่าธนวตีมีพาราสีนครของพระเจ้ากิงกิบเป็นราชธานีเ็ 7. พระโคตมะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์เองทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ ในพัฒกับนี้มีพระนามโดยพระโคตว่าโคตมะมีปริมาณแห่งอายุน้อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานก็เพียงหนึ่งร้อยปีที่เกินกว่านั้นมีน้อยตรัสรู้นักโคนไม้อสัทธะคือต้นโพมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าสารีบุตรกับโมคคลานะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1250รูปล้วนเป็นพระขีนาศพมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่ออาณ น, น์มีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุดโทธนทนะพระพุทธมารดาพระนามว่ามายามีกระบินลพัฒนคอนเป็นราชธานีเมื่อตรัสเล่าอย่างนี้แล้วก็เสด็จจากอาสนะเข้าสู่วิหารต่อมาได้ตรัสเล่าประวัติ พระวิปัสสีพุทธเจ้าโดยแสดงว่าเป็นธรรมดาของผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังตอบไปนี้ธรรมดาของพระโพธิสัตว์หนึ่งพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตมีสติสัมปชัญญะลงสู่พระคันพระมานดา 2. เมื่อพระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันพระมานดา จะมีแสงสว่างอันโอฬาณปรากฏในโลกหมื่นโลกธาตุสะเทือนสถานวันไหว้ 3. มีเทพบุตรสี่ตนมาอารักขาทั้งสีทิศเพื่อป้องกันมนุษย์และอะมนุษย์ไม่ให้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดา 4. พระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงตั้งอยู่ในศีลห้าโดยปกติห พระมารดาพระโพธิสัตว์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามในบุรุษทั้งหลายและจะเป็นผู้อันบุรุษใดๆผู้มีจิตกําหนัดก้าวล่วงไม่ได้ 6. พระมารดาพระโพธิสัตว์มีลาบบริบูรณ์ด้วยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัชพจ็ดพระมารดาพระโพธิสัตว์ไม่มีโรคมองเห็นพระโพธิสัตว์ในพระคัน เหมือนเห็นเส้นได้ในแก้วไพรทูลตั้งแต่ข้อสมถึง7หมายถึงระหว่างทรงพระคันภปเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันแล้วพระมารดาย่อมสวรรคตเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิต 9. สตีอื่นบริหารคันเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างจึงคลอดส่วนมารดาพระโพธิสัตว์ บริหารพระคันสิบเดือนพอดีจึงคลอด 10. สสตรีอื่นนั่งหรือนอนคลอดส่วนมารดาพระโพธิสัตย์ยืนคลอด 11. เอเมื่อประสูตรเทวดารับก่อนมนุษย์รับภายหลังส2องเมื่อประสูตรจากพระคันยังไม่ทันถึงพื้นเทพบุตรสี่ตนจะรับวางไว้เบื้องหน้าพระมารดา และบอกให้ทราบว่าพระโอรสที่เกิดมีศัก์ใหญ่ 13. เมื่อประสูตรพระโพธิสัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดไม่แปดเปื้อนด้วยคัพระบนทิน 14. เมื่อประสูตรจะมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นตกลงมาสนานพระกายพระโพธิสัตว์และพระมารดา15ทันใดที่ประสูตรพระโพธิสัตว์ จะผินพระพักทางทิศเหนือดำเนินด้วยพระบาท7็เก้าเปล่งพระวาจาประกาศเรื่องที่จะทรงเป็นเลิศในโลกและเรื่องชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย 16. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติจะมีแสงสว่างอันโอราณปรากฏในโลกและหมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านวิปัสสีกุมาร ประสูตจนถึงเสด็จออกผนวดเมื่อวิปัสสีกุมารประสูต์แล้วพระเจ้าพันธุมาพุทธบิดาก็ตรัสให้เชิญพวกพรามผู้รู้ลักษณะมาทำนายพวกพรามพิจารณาแล้วกราบทูลว่าพระราชกุมารประกอบด้วยมหาบุริษลักษณะ32ประการถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิถ้าเสด็จออกผนวด จะได้เป็นพระอระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระราชบิดาจึงให้ถนอมเลี้ยงพระราชกุมารเป็นอันดีพระราชกุมาร น, นั่งบนตักของพระราชบิดาในการวินิจฉัยอัตถคดีก็ทรงพิจารณาวินิจฉัยได้ดีด้วยพระญาณปรีชาจึงได้รับขนานนามว่าวิปัสสีหรือแปลว่าผู้เห็นแจ้ง ต่อจากนั้นเล่าเรื่องวิปัสสีกุมานสเสด็จสูราชอุทยานพร้อมด้วยนายสารถีได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงสเสด็จออกผนวดตรัสรู้และแสดงธรรมทรงพิจารณาหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่เกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ ทรงพิจารณาความเกิดความดับแห่งขันห้าก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกจะทรงงดแสดงธรรมเพราะเห็นว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั้นลึกซึง้งแต่ในที่สุดทรงเห็นว่าผู้ที่พอจะรู้ตามได้ก็มีจึงทรงแสดงธรรมและได้โปรดราชบุตรชื่อขันทะและปุโรหิตชื่อติดสะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ขอบรรพชาอุปสมบทและได้สําเร็จเป็นพระอรหันในที่สุดต่อมาได้มีผู้ออกบชมากขึ้นจึงทรงส่งสาวกไปประกาศศาสนาต่อเมื่อครบหกปีจึงให้กลับมากรุงพันธุมดีเพื่อฟังปฏติโมกซึ่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในภิกษุสงฆ์ทรงแสดงว่าเรื่องเหล่านี้นอกจากทรงทราบด้วยพระองค์เอง พระทรงเข้าใจจำแจ้งซึ่งธรรมธาตุเป็นอย่างดีแม้เทพพยาดาก็เคยมากราบทูลเรื่องเหล่านี้เช่นในสมัยที่ประทับนัโคนไม้สาระใหญ่ในสุภวันใกล้เมืองอุ ก, กัตถาหมายเหตุพระสูตรนี้อาจจะมีรายละเอียดที่ทำให้เกิดปัญหาการถอดความหมายหรือการตีความเป็นธรรมะเช่น บางท่านได้ถอดความว่าที่ว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นหรือแผ่นดินไหวเทียบด้วยจะช่วยโลกให้เกิดปัญญาและมีข่าวใหญ่แพร่ไปในโลกเป็นที่น่าตื่นเต้นในคุณความดีคล้ายแผ่นดินไหวเป็นต้นแต่หลักการใหญ่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่อยู่ที่รายละเอียดเรื่องชื่อเรื่องสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆแต่อยู่ที่แสดงว่าในพระพุทธศาสนา ไม่มีการผูกขาดความรู้ความฉลาดความสามารถตรัสรู้สัจธรรมเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะผู้ใดบำเพ็ญบารมีเพียงพอก็อาจเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นหลักธรรมจึงเป็นของกลางท่านผู้ใดพินิจพิจารณาค้นคว้าก็อาจตรัสรู้ได้